ไอ้ชีวิตพุ่งเปื้อนเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาจะกระทําการใดๆเพื่อให้ความเห็นของเขาออกมาเป็นรูป จากเพราะเหตุด้วยยื้อแย้งวัตถุกรรมเพราะชาวบ้านนั้นต้องการวัตถุกรรมเพื่อมากินอยู่หลับนอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุกรรมทั้งนั้นจะ ที่เค้าทะเลาะกันอย่างสมัยพุทธกาลทะเลาะกันอย่างพวกปริพาชกเค้าจะมีความคิดมีหลักการโต้แย้งแล้วก็เที่ยวจาริกไปยังเมืองต่างๆเพื่อไปท้าโต้วาที 62 เนี่ยก็ คิดที่ขัดแย้งที่บรรดานักบวชในสมัยพุทธกาลเค้าโต้แย้งกันมี มีอาการพวกนักคิดบางคนทําไมนั่นน่ะมีอาการเหมือนกับคนบ้าหอบฟังคือเทียบกับคนบ้าไอ้คนบ้าเนี่ยมันผิดกับเราตรง <c oughs> พวกนักคิดบางพวกเนี่ยก็เหมือนกับพวกชาวบ้านนักคิดบางพวกนั้นความคิดเค้ายังพอ ถ้าเป็นความโลภระดับชาวบ้านนะฮะจะเกี่ยวกับวัตถุ พวกที่เขามีความยึดติดว่าตายแล้วสูญๆนะจริงมากๆเลยใช่ครับไม่ว่าอดีตหรือ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะก็รู้แต่ไม่รู้ว่าเค้าคิดว่ายังไงผมจําได้ว่าผมไปไปอธิบายพลาดพิงไปถึงชาติหน้าพอเลยครับบอกว่านี่ คนก็ตัดปิดได้เราไม่โต้ตอบแล้วก็พูดทั้งไม่รู้ไม่คิดเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีมัน อีกด้านหนึ่งอธิบายว่าเกิดขึ้นเมื่อเสพอารมณ์ผมย้ําอีกครั้งแต่ ถ้าเกี่ยวกับความเป็นสัมปยุตเอ้อเป็นลํายูทูบนะความคิดเห็นที่ผิดนะต้องแล้วมันกลายเป็นกุศลไปแล้วแล้วมาคิดทบทวนมายึดถือทีหลังนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแล้ว แต่ถ้าเป็นความโลภในเรื่องเกี่ยวกับความเห็นที่ผิด แต่ถ้าเราต้องมาตั้งวงสนทนากันหรือไปนั่งปริวิตกเกี่ยวกับเออเราเชื่อว่าเว้นกามไม่มีคิดแล้วเรา ฟังเสียงอยู่กระทั่งสัมผัสถูกต้องอะไรต่างๆอยู่ถ้าลมพังสักแต่ว่า การเเสบวัตถุกรรมที่มีความเห็นเข้า ที่ไปปล้นด้วยความรู้สึกด้วยความเชื่อว่าบาปไม่มีคือ การกระทําที่เป็นโลภะทิฏฐิกตัญญ์สัมปยุตเช่นเดียวๆสางๆนรกสวรรค์เหมือนอย่างที่ออกในในสังคมที่เรา ก็เป็นคนสนใจธรรมะเหมือนกันน่ะแล้วก็ได้ดูบาง แต่เราเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อตามนั้นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงโยมปาบาลีจริงบางคนก็ แต่ก็ดูหนังแหละโลกก็โลกเหมือนดูหนังดูไปแล้วไม่ได้เกิดก็ด่าไปด่าว่าไงบอกนี่มันมอมไหลไม่น่าจะเอาฉายอย่างงี้ก็นะไม่แล้วไม่ดูดูคนดูชิเกะแล้วก็ยังนั่งดูอยู่ มีคนนี้ก็นั่งเนี่ยแล้วก็หันมาบอกว่านี่อย่าไปเชื่อนะเนี่ยเรื่องโกหกมอมเมาเป็นน้ําเน่าอย่างหนึ่งของหนังไทยเอา นะอ่าหรือถ้าเราไปอีกบางที่ไปรับประทานอาหารที่เค้าเรียกอาหารป่าอย่างเราไปนั่งรับประทานเนี่ยเราก็อาจจะนึก อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนี่จะไม่ล่าเช่นอก ก็จะมีคนเถียงบางทีพูดล้อเล่นไปสิอย่างที่เราเคยได้ยินนะว่าเออกินแก้วไหนก็ทั้งกินนะเค้าพูดอย่างเค้าพูดแล้วถามว่านี่คุณพูดเล่นหรือหนักขอพัฒนาอะไรก็บอก หมายระแวกเอาไปกินก็ยืมเงินปลามากินนี่หรือกินแล้วก็มาดอดไปขโมยชีวิตปลาไม่ได้ทําให้ปลาเดือดร้อนน่ะมันจะเป็นบาปได้ยังไงจะไปตกนรกได้อะไรก็ไม่เชื่อจริงๆแต่ก็ ถ้าลองมีความเห็นที่ไม่ถูกเนี่ยบางทีเรากําลังทําอะไรกําลัง ผมว่าอย่างผมผมได้กําไรทุกทีทุกครั้งไปเราไปดูเราก็ไปเตะเตะลูกยางเตะกัน แต่ผมก็ชอบดูกันผมก็ชอบดูในส่วนที่ผมๆนึกถึงเวรถึงๆเนี่ย เออว่าไม่น่าจะมีก็มีอัตภาพมีแปลกๆกันอัตภาพยาวก็มีไม่น่าจะมี กินสัตว์เออเราก็ดูแล้วก็เกิดความคิดก็เกิดแรงปรารถนาอะไรว่า ก็เรียกว่าไปสวะวิบากและยังสร้างวิบากนั้นกลับเป็นช่องของการสร้างธรรมกรรมทุกเรื่องไม่ก็เข้าเรื่องนี้พอดีเข้าป่ะเราก็เห็นโอ้แหมคนเหล่า 3 ทียังนะ ดีกว่าให้ให้ยอมในทางความคิดความอ่านกันมันเป็นเรื่องที่เหนียวแน่นละมีอิทธิพล เราไปรับอาหารอย่างที่ยกตัวอย่างรับอาหารอาหารป่าเงี้ยไอ้ที่เล่านี่ก็บังเอิญผมไปมานะฮะไป เรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิเป็นของแถมและความโลภนั้นไม่เป็นทิฏฐิกะตะสัมปยุตต์บาปก็น้อยลงอุเบกขาก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็น 2 อย่างทิฏฐิกะตะสัมปยุตต์กับทิฏฐิกะตะวิปยุตต์ เป็นอสังขาริกกับสังขาริกความจริงคําว่าสังขารเนี่ยมันแปลตามตับปรุงแต่งแปลอย่างตามพยัญชนะ ถ้าไปปรากฏในบางที่สังขารนั้นแปลว่าเอาของอย่าง มันในในภาษาที่ดึกมันจะใช้คํานี้แยกสัตว์ตัดไม่เรียก 3 กลายเป็น ชักชวนด้วยกายและว่าชักชวนด้วยกายหรือกระตุ้นด้วยกายวจีสังขารชักชวนจิตถามว่าวาจาอ่ะพูดถึงอย่าง ก็อย่างที่เราพบพบกันในยุคปัจจุบันที่เรานึกกันได้กันดีว่าที่ <c oughs> อย่างการเต้นรําของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยยั่วยุในเรื่องกามารมณ์นี่นี่ก็มีคนก็วิพากษ์วิจารณ์เค้า การจับต้องจับต้องมันก็ทําให้เกิดการเอ่อกระตุ้นความรู้สึกใน ถ้าถ้าไม่ตั้งใจก็ใจก็ยิ่งแน่ฉันถ้าไม่ตั้งใจก็คนอื่นก็ไม่ได้จงใจเป็นโดยปริยายๆเรียกว่า ถ้าขับร้องนี่เป็นวาจาจริงๆเค้าไม่ได้ร้องชวน นี่เราก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามันทั้งๆที่ยิ่งยิ่งรุนแรงมากนะนั้นราชา อุโรหิตสมัยก่อนแล้วก็รวมถึงกามมนิดด้วยกามมนิดวาดิสีเนี่ยนี่ก็อิทธิพล แต่เรียนว่าไม่ผมไม่เคยไปนะเดี๋ยวจะนึกกับผมไปรู้ แต่ก็ไม่เป็นความเหม็นขิดอีกแล้วพอเค้ามาเนี่ยทีนี้อย่างเป็นเรื่องของเพลงอย่างไม่ชอบก็ชอบไปหูด้วยความ กระตุ้นเพราะฉะนั้นระบบโฆษณาเนี่ยจึงออกมาจากสังขารสังขารคือเครื่องกระตุ้น สังขารที่เรายังจะพูดกันต่อไปกระตุ้นให้เกิดโทสะช่องเจ็ดเขามีของแถมพกที่ดีมากที่เรายังจะพูดกันต่อไป แล้วก็เป็นการเผยแผ่เนี่ยเค้ายกมาถูกจังหวะกับเหตุการณ์ของ เกิดกาลามีเหตุการณ์ทางบ้านเมืองแล้วก็เอา นั่นในสังคมเนี่ยถ้าเราเพิ่มเครื่องกระตุ้นอย่างนี้มากๆก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการดีในที่ทํา นะหรือติดกติติดธรรมะอะไรต่างๆที่ดีๆให้คนเห็นแล้วเกิดความรู้สึกในทางบุญขึ้นมาบ้างอย่างเนี้ยอย่าง อาจจะหนังสือแล้วตัดใส่กรอบใส่ไว้เราได้อ่านโอเคไว้ไม่เจอแล้วก็ได้อ่านติดประเด็นแม่โขงอะไรเงี้ย นั้นครับเราเป็นฝ่ายกระตุ้นเนี่ยเราก็จะๆนะเอ่อที่อสังขาริกสังขาริกของ เพราะกระทำเองโลภเองต้องการเองขวนขวายเองถ้าเป็นความโลภๆก็ ตอนหลังก็เราก็อ่าเกิดความโลภนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเขียนว่าเขาชวนไปทานอาหารที่ด้วยใจนี่คือยังไง ถ้าเป็นใจได้มั้ยได้ได้ก็อย่างที่เราแผ่ ความโลภนั้นก็คือไอ้ที่ก็ทําสนิทเล่ห์กลกันนี่แหละทําสนิทเล่ห์กลกันน่ะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นมาหลายๆหลายแล้วเหมือนกันที่เค้าใช้ไอ้กระแสจิตใช้ความนึกคิดเป็นเครื่องกระตุ้นแล้ว พ่อกับแม่สามีกับภรรยานะที่มีความผูกพันกันฝันบางราย ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างๆบางคนก็เชื่อแล้วให้ไปสืบถาม การที่เราคิดบ่อยๆเนี่ยทําให้เกิดความรู้สึกแก่อีกคนนึงได้นะถ้าคิดด้วยกุศลก็ทําให้เราก็เกิดกุศลแก่เราเกิดกุศล ตั้งตีเหล็กแล้วก็เอาค้อนมาตีกระทั่งเป๊กเป๊กเป้งไอ้ตอนดึกเพราะว่าไอ้เศรษฐีคนนั้นน่ะมันออกเงินให้กูนิดหมอหมอหมอก็แนะ ตื่นขึ้นแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอ่ะนี่ก็สืบ กลางคืนมานั่งทุบตั้งคู่หัวใจก็อยู่ก็เลยนอน และท่านก็ยังมีอยู่ท่านเป็นนักศึกษาพระอภิธรรมเก่าผมมารู้ทีหลังว่าท่านเก่งทางพลังจิตสูงมากนะเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดเทศรินทร์ชื่อนินนาทตั้งโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จคนแล้วก็คนแลคนคน 2 คนเข้าไม่รู้ นี่นี่น่าสุขาจาติเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการบริสิทธิ์ท่านได้เล่าว่ามาท่านทําสมาธิเก่งทําครั้งแรกเนี่ยเนี่ยท่านคิดท่านส่งจิตไป และท่านก็เคยทดลองจนแน่ใจอย่างเช่นตอนที่ท่านเป็นท่านท่านอยู่ที่โรงเรียนเอท่านก็มองแล้วรำคาญไอ้ ความจริงเนี่ยโยนมาไม่เคยลาบนะก็ลงไปเก็บแล้วตก 3 ทีอ่ะไอ้คนเราๆก็เรื่องแล้วนี่เค้าเรียกว่าคล้ายๆเทวดาดล คราวนี้ครั้งนึงก็ท่านบอกว่าท่านผู้หญิงนะเค้าก็ปิดไล่มาทั้งการไล่มือนะครับท่านก็ยืนแล้วท่านก็นึกเธอไม่ต้องปิดปิดแค่ไอ้ประตูที่มีระบบแล้ว ก็คิดยังหรือปิดๆไปแล้วเกิดปวดวิชระปัสสาวะทิ้งจะคิดว่าให้ลมมันถ่ายเทแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเรื่องของอํานาจจิต ยังไปทํากรรมฐานผมจะลองเล่าให้ฟังนะว่าเอ่อผมเคยมา เราไปเข้ากรรมฐานเข้าโดยตั้งใจเป็นสมาธิแล้วก็ส่งความรู้สึกว่าคุณต้องเข้าใจผมนะเราพูดอย่างงี้นะๆผมก็เลยลัวออก ไม่ต้องชวนเข้าไปหรอกเราหลบไปคนเดียวให้ลูกลูกไปพ่อ มันเป็นรีโมทคอนโทรลนะจะบอกให้ไอ้เนี่ยรีโมทคอนโทรลด้วยจิตอ่ะแก้ปัญหาได้เป็นเราทําให้เกิดความเอ่อเข้ากันได้ <c oughs> ลังเลอ่ะว่าจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินซื้อไม่คนขายก็อยากขายอ่ะไอ้คนจะซื้อก็ลังเลทํายังชอบมองอะไรก็ชอบบันไดก็ดีพื้นก็คุณนี่ไม่ได้ให้เค้าไปไหน ตั้งแต่บันไดบ้านถึงหลังคาบ้านคือเค้าก็พอจะพอใจอยู่แล้วนะแล้วเราก็ไม่ถึงก็ไปใช้เสน่ห์เล่ห์กลมัน ทำให้เกิดความโลภโดยชอบธรรมแก่บุคคลอื่นทีนี้ถ้าตัวเพื่อ <c oughs> <c oughs> อ่าตัดลิ้นบางดุนเพดานบ้างนะนั่งไม่ลุกบ้างลุกไม่นั่งบ้างเดินไม่หยุดบ้างหยุดไม่เดินบ้างท่านท่านสร้างเครื่องกระตุ้นเพื่อให้อกุศลมันหายแล้วกุศลได้เกิดอันนี้เป็นกุศลสังฆาริย์ทางวาจาก็เหมือนกันพูดเมื่อวันซืน ท่านบอกว่าดิฉันเวลาทําสมาธิสมาธิมันมันไม่ยอมอ่ะมันจะมันจะเป๋อยู่เรื่อยและ <c oughs> การเจริญในกุศลนั้นมีวิธีบอกในวิสุทธิมรรคเช่นนึกถึง เราจริงประสบความรมเหลวอย่างนี้รุ合เปลี่ยนฮอดตาะกริง скаж このครับ starter質 irulamiriamparisham pen &ング fileman revamparisham turned to be 10 Hahah's.Fourisham pensar คือบวัลครับกต้อง PR.R существ.Brhewman! cherry at it.Rbooking on the shared preferences ที่ definetation Friout van Dr. Licatal.Hade aneworthand therebyegame bag, for those f i will not voting on méi, pe stacking other men who are worldly.What makes you my song?Y אih?I stay away from my side.Hat it down.Rзы?atu box. snap i CAN it?Richard hasENS i?GH?I wanna go tokon versch Efendimiz now.hu What's up with me?Yo who says รักภรรยานี่เป็นมันก็ต้องเป็นความโลภแหละแต่ไอ้ความ เดี๋ยวมันจะอ้างว่าผมนี่ไม่โลภแม้ก็ทั้งลูกผมเองต่อไม่ถูกแล้วอย่างนี้สนับสนุนอะไรเพราะธรรมะเนี่ยมันต้องขึ้นไปอ้างว่าอย่างง้น บอกผมไม่ยึดถือเงินทองมีเท่าไหร่ผมใช้หมดเนี่ยมันต้องมีขั้นครับเราก็ต้องทําให้เกิด นะนึกถึงอะไรดอะไรที่เป็นเกียรติเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรที่พุทธเจ้าสอนให้นึกการศึกษาก็ดีนึกถึงความดีของภรรยาก็ดีบางพอเค้าก็เกิดรักป้อปอจนกระทั่งยกลูกสาวให้แล้วก็อยู่ เรเราก็ต้องนึกนึกเพื่อให้เรารักปรยาซื้อสรรค์ต่อปรยาก็ต้องถ้าเกิดไม่ มาอ่านหรือไปศึกษาประวัติคนไอ้ต่างๆนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเรา มา, 8 เราว่าโลภะมูลจิต 8 เนี่ยถ้าหลักๆได้แล้วแสดงไคว่เป็นเร 8 ได้อย่างผมจะไม่ อธิบายแบบเป็นตัวๆๆจนหมดสิ้นนะครับแต่ละเหตุแต่เนี่ยเราเถียงหลายๆเหตุนั้นอยู่ๆเหตุเราไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าพูดเอ่อ ความหมายนั้นขอแก้ไขเอกสารต้นฉบับนะ 3 แล้ว 3 ทั้ง 2 ด้านเลยนะ 3 ว่าเอกสารชุดหลังนะชุดหลังหัวข้อใหญ่ 1 ที่ 2 และ 3 เอตเกิดแอนติทิกตัตสัมปยุต 3 มีคําว่าหันหลัง บาลีก็ไม่มีทธงอีกตัวนะอ่านว่าสัตธรรมอันนี้โปรดแก้ไข ท่านแสดงตั้งแต่แสดงตั้งแต่ข้อที่ 1 คือปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารอ่ะ บางคนมีโทสะเจืออ้าวเสียงอะไรล่ะเห็นบางคนใส่บาดปลายเอา เหมือนกับเหตุที่ได้ทําทีนี้บางคนเนี่ยทําบุญแล้วมีเช่นว่าอยากอย่างที่เซว ถ้าอยากไปสวรรค์นั่นถือว่าหรือเอ่อทําก็คล้ายๆว่าจะไปเอาบุญเอาคุณกับอะไรมี <laughs> <laughs> ขอให้ท่านเอาโลภะฝากให้เรียนอย่างที่ความเนี่ยบางที ที่ได้ทําไว้อ่าบุญนี้อาจจะทําเป็นบุญไม่มีโลภะเจือ นึกถึงบุญก็เกิดบุญมันก็อย่างนี้แล้วก็ คือบางคนเนี่ยเวลาก็ทําบุญก็ตัดขาดตัดขาดจริงๆก็ทําบุญนั้นเป็นบุญไปรักษาศีลเนี่ยงั้นเมื่อกรรม จะเกิดเองเดี๋ยวๆหรือจะเกิดในกรณีบุญด้วยไปเข้ากรรมฐานแล้วก็อ้างโน่นๆก็ ความเกี่ยวพันกับอันนู้นอันนี้ถึงแม้แต่จะมาวัดก็เหมือนกันบาง อย่างนี้ตัดวันหนึ่งขาดแต่บางอ่ะอาจารย์นิสากับพี่สาท่านซึ่งอยู่อังกฤษแล้วท่าน เนี่ยพี่สาวนานนานมาทีบางทีก็แทนไปไม่ได้จะพาไปดู ยอมไม่สนใจที่จะไปอันนี้ก็เป็นเป็น <c oughs> หรือว่าเรายกภูมิพูดกันเลยนะเป็นๆเกิดแต่โลภะมันก็ติด โปรดนิยมติดไม่ใช่ในภูมิสูงแต่ว่าแม้มาเกิดตํานุบนบุญมันหมดอ่ะรายได้ต่ํานะรายได้เลยเลยตุรลักษณะสุเรคนประเภทนี้ตุรลักษณะสุเรฉะนั้นคนที่ แต่ถ้ามาจากบางกูเนี่ยเป็นความโลภหยาบมาเนี่ยเป็นอสุรกายนี่ก็โลภ <c oughs> <ไ> <c oughs> อยากดื่มให้ได้ดื่มอยากนั่งไม่ได้นั่งอยากนอนไม่ได้นอนๆบางพวกๆไม่ได้บางพวกนอนไม่ พอเลี้ยงมันยังกินเลยพวกนี้ๆแล้วมันก็ติดแต่บุคลิก ผมไม่มีเวลาจะเล่าให้เห็นจริงไม่มีเวลาจะเล่าให้เห็นจริงว่าทําไมบางคนอะไรการศึกษาก็ดีแต่ทําไมนิสัยทําอะไรตะกละตะกละถ้าแต่ไอ้ลายเนี่ย คราวนี้อธิบายในอีกมุมหนึ่งคล้ายๆเราพูดกัน คืนเปลเค้าเป็นยังไงถึงมาเป็นเดี๋ยวนี้เค้ามาถึงชั้นนี้แล้วบางทีก็ปรับแก้ไขตัวเองไม่หมดไม่ทันมันก็ติด พูดอีก 2 ข้อให้จบไปอย่างสั้นๆนะครับประสบกับว่าความโลภเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมาปรากฏให้เรา ธรรมะนั้นก็จะเข้ามาต้านมาฝืนเหตุทุกข์เหตุได้หมดธรรมะสูงก็ต้านได้มากธรรมะน้อยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้พบแต่สิ่ง ไอ้ความโลภมันก็มีกําลังเหมือนอย่างคนที่ใครก็ไม่ถูก ก็ทนไม่ได้เพราะว่าไอ้ความเคยชินของเราอย่างนี้แต่ว่า ท่านนักภัทรเกิดท่านใดมีคําถามแรกตาม โลภะนะคะโลภะมูลเล็ก 7 ซึ่งเอ่อเป็นสิ่งที่อืมพวกเราคุ้นเคยนะคะเพราะ ต่างคราวนี้อาจารย์สุเทพก็เอ่อขณะที่เรียนนั่งฟังอยู่เนี่ยยัง พูดกันอย่างตรงไปตรงมามาถึงก็กลางหนังสือแล้วก็ว่าอะไรล่ะโสมนัสสะสหกตังเอ่อทิฏฐิคตสัมปยุตตังอสังขาริกังก็ว่าไปเลยนะฮะจิตดวงแรกเอ่อไม่รู้เรื่องไม่ ขอให้มาที่หลังขั้นแรกนั้นจําก่อนนะคะ ความจริงจิตเนี่ยมันมีดวงเดียวเท่านั้นนะคะ 89 ดวงหรือ 121 ดวง มีสิ่งที่เราเอ่อ 89 ดวงซึ่ง และอกุศลจิตทั้งหมดก็มีถึง 12 ดวงก็ 8 ดวงซึ่งความ 1 ดวงเท่า 1 ดวงนี่ 8 ดวงนั้น 1 โสมนัสสัจจะ ในเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนานี่เป็นตัวละตัวแปรตัวแรก 2 คือสุมนัตตสเวทนา 2 ก็คือทิฏฐิความเห็นนะคะ บ่งลงไปเลยว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเพราะฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยปราด คือโรคนี้นะคะเกิดมากี่ใบแตกไปพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วกี่องค์ทรงคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดที่ คนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นตอของวัฏฏ์เกิดยุนนั้น ว่าเป็นเรื่องทิฏฐิแต่ไม่ต้อง 8 ในทางบวกนะ เลยนะคะของมิจฉาทิฏฐิเองๆมันก็ต้องมีทั้ง ที่ 3 ตัวสุดท้ายที่ทําให้โลภะมูลจิต 8 ดวงนะสังขารนะฮะสังขารอันนึงถ้าเผื่อเป็นอสังขาร อ่ะสมัครใจทําเองแต่สสังขาริกนั้นไม่ๆนะคะมันจําไม่ได้เพราะ ในการบรรยายของอาจารย์สุเทพจะเห็นได้ว่าตัวอย่างๆวงๆนะคะซึ่งเอ่อหลายคนก็เอ่อไม่ใช่เรียน เป็นคำรบ 2 นะคะว่า การแปลนั้นท่านบอกว่าแปลนั่นท่านบอกว่าเอ่อเหมือนกับผู้หญิงนะและ ขอเรียนอีกครั้งนึงว่าเอ่อไม่เฉพาะแต่ท่านที่จะมาฟังบรรยายปาร์ตี้นี้เท่านั้นนะคะ เอ่อรู้สึกก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่อืมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะว่าเอ เออเวทนาเหตุเกิดของทิฏฐิและเหตุเกิดของอสังขารนั้นนี่แหละค่ะคือ ละตรัสถึงความดับของธรรมเหล่านั้น สมัยสมณคุณของพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างในซึ่งเชื่อว่าในที่หรือแม้แต่ทั้งสวดทุกวันนะคะจะมีตอน 1 จําได้มั้ยคะซึ่งแต่ก่อน <c oughs> ได้ยินทั้งตอนที่ว่าด้วยพระธรรมแล้วนะคะพอถึงตอนนี้ หลักภาวะวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไปเหตุใกล้เท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายไว้แล้วด้วยว่าต้องมีพ่อมีแม่ ในองค์ของปฏิจจสมุปบาท 12 ชวนเอาวิชชานั้นเป็นเหตุๆท่านได้